การฟังธรรมในโอกาสที่สมควรเป็นมงคลอย่างสูงสุดประการหนึ่งเมื่อได้ฟังบ่อยเพียงใดย่อมได้รับประโยชน์มากเพียงนั้นในคำพีปัญจกนิบาตอังคุตระนิกยสุดตันตปิฎกแสดงประโยชน์ที่เกิดจากการฟังธรรมว่ามีหประการคือได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังสิ่งที่เคยฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจชัด บรรเทาความสงสัยได้ทำความเห็นให้ถูกจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสในวิมุตตยาะสูตรเป็นะสู s u ที่กล่าวถึงเหตุแห่งความหลุดพ้นจากกิเลสห้าประการหนึ่งในนั้นคือกล่าวว่าสามารถบรรลุธรรมขณะฟังธรรมได้